มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัควิตักกะลักณะปัญหาที่สิบสามถามว่า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 ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิตกเมื่อจะบังเกิดนั้นอัปปณ ะ, ะลักขโนมีลักขณะสืบในอารมณ์สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสนิมนต์ให้พระนาคเษนกระทําอุปมาอุปไมไปพระนาคเษนก็วิสัชนาแก้ไขด้วยอุปมาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดช่างไม้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 สมควรแล้ววิตกกะลักณะปัญหาเป็นคำรบสิบสามจบเท่านี้